คำว่าอินเริยะพระโพชังคะมัคคะสัจจประกาสนังเนี่ยนะแม้สติปฐานสัมมาปทานและอิทธิบาทก็เป็นอันทรงถือเอาด้วยนะคือโพธิปัจฉยธรรมเนี่ยนะถ้ากล่าวอินทรีพร ะ, ระโพชงองค์มรึกก็เชื่อว่าสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยการถือเอาอินทรีพร ะ, ระโพชงและมัคคสัจจะเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงทรงประกาศธรรมะหรือแสดงธรรมะเป็นเครื่องประกาศโพธิปักษยธรรม37ประการยกมาเป็นตัวอย่างแค่4ี่อย่างคือโพธิปักขยธรรมประกอบไปด้วยกลุ่มสติปทานกลุ่มสัมมาปทานกลุ่มอิทธิบาทกลุ่มอินทรีย์ุ่มพละกลุ่มโ พ, ระระมพชงกลุ่มอมมัดมีอยู่7อย่างด้วยกันตรงนี้ยกมาแค่อินทรีย์พล ะ, ระโพชงมัด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 เพราะว่าคุณธรรมหรือโพธิปัจจะธรรม3าประการคุณธรรมเหล่านี้ที่เป็นเครื่องนําออกจากวัตทุกข์ต่อจากนั้นในมหามงคลสมาคม น, นะก็มงคลไหนมงคลละสูตรนั่นแหละอาเสวนาจะภารานังปันติตา น, านจะเสวนาเนี่ยนะก็ะเป็นมหามงคลเลยนะเพราะเป็นมงคลที่ใหญ่มากเพราะมีการประชุมใหญ่ เทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลเนรมิตอัตภาพอันละเอียดประชุมกันในจั ก, กรวาล น, นี้นี่แลเล่ากันว่าในมหามงคลสมาคมนั้นเทพบุตรองหนึ่งทูลถามมงคลปัญหากะพระโก น, นทนัญญทศพลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดมงคลทั้งหลายโปรดเทพรบุตรองคนั้นในมหามงคลสมาคมนั้นเทวดา9ก้าหมื่นโกรธบรรลุพระอรหัน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 ว่ามงค ล, ลสูตรเนี่ยนะตั้งแต่สมัยพุทธ ก, กาลจวบจนปัจจุบันนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสมอัทยาศัยในการสืบทอดทรงจำมงคลเนี่ยมากและขณะเดียวกันนั้นมงคล น, นั้นกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับเหมาะทั้งคารวาดและบันปชิตเนี่ยนะปั้นมงคล น, นั้นถือเมื่อมีงานอะไรเนี่ยจะยกใช้คำว่ามงคลตลอด มงคนโน้นมงคล น, น, คลนี่แต่สรุปว่าเขาคือมงคลเนี่ยนะก็ทําบุญถวายทําบุญเลี้ยงพระเป็นต้นก็สวดมงคลสาธยายมงคลงานทุกงานเนี่ยนะสาธุทั้งหลายก็จะได้ยินมงคลกันมากมายเพราะะฉนั้นมงคล น, นั้นจึงถือว่าเป็นธรรมะที่สาตุ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมากพันผู้ที่เคยสั่งสมอัธยาศัยในการเรียนมงคลฟังมงคลมาเนี่ยนะ เหตุปัจจัยทําให้ย้ายจั ก, กรวาลไปอยู่จั ก, กรวาลอื่นเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลก็กลับมาจากมงคลจักรวาลเนี่ยนะมาฟังมงคลก็เลยบรรลุการเพราะอาศัยเทศนาว่าด้วยมงคลครั้งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทํายมกาปาฏิหารเพื่อย่ํายีมานะของเดรธีทรงแสดงธรรมณภาคพื้นนภาอากาศก็คือเนระมิตรจรงจงกรมบนอากาศพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบนโรงจงกรมนั้น เทวดาและมนุษย์8 0ดหมื่นโกรธบันลุพระอรหัตผู้ที่ตั้งอยู่ในผลสามเกินที่จะนับได้หมายความว่าโสดาปฏิพลสกธาคามีผลอนาคามีผลเนี่ยไม่ต้องนับรอกว่าเท่าไหร่เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงย่ำยีพวกเดรธีจึงทรงแสดงธรรมโปรดครั้งนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สา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 ฟังพระธรรมเทศนาเฉพาะพระภาคของพระโกนทัญญาพุทธเจ้ามีใจเลื่อมใสก็บวชในสำนักของพระองค์พร้อมกับมานบหมื่นหนึ่งแล้วบรรลุพระอรหัสตในครั้งนั้นพระโกนทัญญาศ า, ศาสดาอันภิสษุแสนโกรธมีพระสุภัททะเถระเป็นประธานแวดล้อมแล้วยกปาติโมกขึ้นแสดงณนะเพ็นเดือนเชถักก็คื อ, คอวันเพ็นเดือนเจนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่ง การแสดงโอวาทปาติมโมกนั้นสามารถแสดงเดือนอื่นก็ได้เช่นเดือน7วันเพลิเดือน7เนี่ย น, นะต่อจากนั้นเมื่อพระโอรสของออพระโกนธัญญาสัสดาทรงพระนาม ว, ว่าวิชิตเส น, นะก็คือบุตรชายของพระพุทธเจ้านะบนรรลุพระรหัสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกปาติมโมกขึ้นแสดงณนะถ้ำกลางภิกษุพผ่า์โกรมีพระวิชิตเส น, นะเป็นประธานนั้นเป็นการประชุมครั้งที่สอง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 พระโกนธัญญะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีการประชุมภิกษุผู้เป็นพระขีณาศพไร้มนถินผู้มีจิตสงบผู้คงที่สมครั้งครั้งที่ 1. ประชุมภิกษุแสนโกดครั้งที่สองประชุมภิกษุพันโกดครั้งที่สประชุมภิกษุ90้าสิบโกดตัวเลขคําว่าโกธนั้นบางทีก็แปลว่า10บล้านบางทีก็ไม่ได้แปลว่า10บล้าน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 ก็คืออย่าไปจริงจังว่าถ้าพันโกดเนี่ยมันจะเท่าไรเนาะคนทั้งโลกจะได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีถ้าไปคิดลักษณะนั้นอ า, อาจจะหนักใจบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากนีนะเพราะว่าตัวเลขบางอย่างก็เป็นตัวเลขสรรับที่ที่กล่าวว่าจํานวนมากนั่นเองเนะเพราะไม่มีใครมานั่งเรียงนั่งนับหรอกได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราพูดถึงว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าพระนามวาโกณทัญญาเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าของเราล่ะ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 แต่ไหนแต่ไรมาเมื่อไหร่แต่โบราณการจวบปัจจุบันและอนาคตต่อไปพระโพธิสัตว์จะไม่คิดเหมือนคนทั่วไปแต่คิดเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปก็เดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้ากันหมดเชื่อแต่ยังไงก็คิดไม่เหมือนกันถามว่าเมื่อคิดไม่เหมือนกันแล้วท่านคิดยังไงก็ถามว่าถ้าท่านไม่ตัดหัวแล้วท่านจะตายไหมถ้าท่านตัดก็ตายไม่ตัดก็ตายแต่ว่าตัดแบบคนฉลาดนำบุตรได้บุญก่อนที่จะ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 ในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีครั้งเดียวคืออัสถิสถานหมายถึงการให้ทานแข่งกันระหว่างชาวเมืองกับพระราชาหมายคือว่าประชาชนชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยรวมกันพวกหนึ่งตับกลุ่มพระราชวังอีกกลุ่มหนึ่งทําบุญแข่งกันว่าสักการะของใครจะมีค่ามากกว่ากันใครจะเอาของดีที่สุดมาถวายานะนะั่นก็จะมีการทําบุญแข่งกันแบบเนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นตลอด3ามเดือน ครั้งนั้นพระาศาสดาก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจัะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตการาท่านผู้นี้นะต่อไปอีกสามอสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเวยสมัยนั้นเขารอกันมากนะอีกสามอสงขไขยจะได้แล้วจะได้แล้วของเรานี่ชักเลยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เลยท้าทียตตะวันนั้นเอชักปลายปลายแล้วเหมือนกันแผ่วๆเหมือนกันเล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 สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวีเป็นใหญ่เนื้อปะตะัตภีมีสมุดสาครเป็นที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่ซื้อเกาะเกาะเดียวนะนะมาแต่ว่าแผ่นดินทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้เดียวเรายังพระขี่นาศพผู้ไร้มนทินผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่แสนโกรธพร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นนาถะเลิศแห่งโลกก็ถวายอาหารให้อิ่มน้ำด้วยข้าวน้ําอันประณีต พระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้นำโลกแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรเราว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ในโลกในกลับต่อจากนี้กับนี้ไปนนะหมายความว่าในกับที่นับไม่ได้จากกลับนี้ไปเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณหาประมาณไม่ได้พระตถาคตจากออกทรงพนวดจากกรุงกระเบลพัทอันน่ารื่นรมทรงกระทำความเพียรคือทำทุก ก, กิริยา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 ผู้ไม่มีอาสวะผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบและมั่นคงจากมีพุทธอุปถาคเชื่อว่าอานันทบำรงพระชินะนั้นจากมีอัคราสาวิกาเชื่อว่าเขมาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบและมั่นคงต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอสัทธต้นโพใบ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 ต้นไม้ต้นนี้นะถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยนี่นี่มันหนอนะ่อโพนะเหมือนกันเป็นหน่อแห่งต้นไม้ที่น่ากราบน่าไหว้พระราชาพระองค์นี้อนาคตต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาในหมื่นโลกธาตุพากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัสการกล่าวว่า